คู่หูทุดงหลวงพ่อโฮมกับสมเณรประใหม่อันการศึกษาธรรมะและการฟังธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อยู่ในพระนครอันเป็นถิ่นที่จเจริญด้วยศิละปะวิทยาการทั้งทางฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมคงได้ศึกษาและได้สดับกันมามากต่อมากดังนั้นเรื่องของธรรมะ จึงจะไม่นำมากล่าวให้กว้างขวางจะพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลวงพ่อโฮมพระเดชพระคุณพระราชมุนีท่านก็เป็นพระเถระที่หนักแน่นในการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเคยได้ทราบประวัติของท่านตั้งแต่ในอดีตมาแล้วในสมัยที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่ม ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดปทุมวนารามจังหวัดพระนครในหน้าพรรษาหน้าศึกษารปริยัติธรรมท่านก็ได้ตั้งอกตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมจนสามารถสอบได้ถึงป ร, ริญญาห6ประโยคเมื่อถึงการหน้าแง้งซึ่งว่าจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วท่านก็ถือโอกาสออกเดินทุดงไปในสถานที่ต่าง ได้ทราบว่าสหธรรมิกเพื่อนคู่หูในการเดินทุดงของท่านนั้นคือสามเณรประมัยกาลเนธซึ่งเป็นลูกข้าราชการท่านหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ไปบวชเป็นสามเณรและศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและป ร, ะริยนสามประโยคทั้งสองท่านนี้เมื่อว่างจากการศึกษาพระปริยัติธรรมแล้วท่านก็ออกเดินทุดงเป็นคู่กัน โดยได้อาศัยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณปัญญาพิสารเทระในวงเล็บหนูซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านอาจารย์เสาเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชากรมรฐานซึ่งท่านทั้งสองก็ได้ศึกษาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในสำนักของเจ้าพระคุณองค์นั้นจนมีความรู้ความเข้าใจทั้งสายปริยัตและสายปฏิบัต ต, ตามสมควร จนกระทั่งมีความรู้ความสามารถได้เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนพวกเราซึ่งเป็นศิษยานุศิ์ทั้งหลาย